เรืองรองบดกแก้วพันรายประสาททองคําพลายเริศแล้ววิหารรับเกตประกายราวเด่นคุโบสถประดับแก้วส่องพื้นทองรามงามพระพุทธรูปล้วนปิดทองพันกว่าองค์ลำยองเยี่ยมล่าวิสุทธิเทพจำลองประทับนั่งมหาราชนักประปลา สริไว้ให้ชมอาสมภิกษุพร้อมศาลาคนนับหมื่นแสนมาพักได้ทานศีลเพ่งภาวนาปฏิบัติหวังวิมุตยานให้วางแก้งใจตนยุคขนหัดประนัดน้อมวันธนาพระราชรมานเทราพ่อแก้ผู้ปลูกสัพพธรมา แก่สิส้งางวัดผ้าสูงแล้วอาราแมนเหมือนสวงทวงประชามาวัดแล้วตรึงใจกุศลเกศจนงใดเกิดแท้หากมั่นประพฤตินในธรรมบทปิดอบายได้แล้วชีพนี้งดงามเชิญตามเติมต่อตั้งเต็มบุญเชิญชื่นเชิญชมคุณ พุทธเจ้าเชิญปอผิดตารุณผู้สมปรนรวมมาหีเข้าบุ่งเต้านิพพานสารประวัติวัดนี้เพื่อบูชาพระราษฎรธมยานนาถาท่านไยอีกเพื่อเพิ่มศรัทธานวากาศให้ื้อพุทธศาสตร์ได้ครบ5้าพันปี เมื่อกว่าสี่สิบปีที่แล้วจากความตั้งใจว่าจะมาอยู่วัดไกลๆที่ไม่ค่อยมีคนมาบ่อยนักและจะสร้างแค่ปุติกระตอบเล็กๆเพื่อปฏิบัติธรรมอย่างพระสงฆ์ผู้ปรารถนาความสงบแต่ด้วยคําสอนอันสําคัญมากมายที่พร่ำสอนสิกยานุสิกจากสิบเป็นร้อยจากร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนทําให้วัดท่าสูงที่ห่างไกลกลับกลายเป็นวัดขนาดใหญ่ เท่าที่สติปัญญาของมนุษย์จะสามารถสร้างสรรค์ขึ้นได้พุทธศักราช 2,511 ปีสิดตัวปีก่อนณที่ป่าที่นาริมแม่น้ำแสกกลางแห่งนี้ หลวงพ่อได้กล่าวกับลูกศิษย์เมื่อทนย้ายมาอยู่ได้ไนนานว่าหน้าที่แห่งนี้ต่อไปในอนาคตอันใกล้จะมีลูกหลานและญาติสนิทมิตรสหายของฉันในอดีตชาติแตที่ผูกพันชาติมาแลว้วก็ตามที่มาเกิดทันฉันในชาติปัจจุบันนี้จะมาชุมนุมหน้าที่แห่งนี้เป็นหมื่นหมื่นแสนแสนคน เวลานั้นใครเล่าจะเชื่อท่านลุงลูกศิษย์สมัยนั้นมีจานวนนับสิบท่านเองก็เพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่ได้ไม่นานตัววัดเองก็มีแต่ความรกร้างโบสถ์พิหารก็สุโสมพรลาหลังหนึ่งที่มีอยู่ก็ตั้งบนเสาที่โยเยหอไตรมีแต่โครงแต่เป็นป่าไผ่ทั้งนั้นล ะ, ะที่อยู่กันสามสี่องค์นี่ ข้าก็มุ่งว่าออกไปทําไรเลยอย่างนั้นเลยครับว่าต้องออกไปปันป่ากันเพราะว่าเราจะทำหลวงพาอทําราต้ก็ทําไว้ครับทาปัดปันป่าสุมอะไรก็อะไรกันขุดโขดอะไรที่หลุมหุมตรงหัุมจุดก็ต้องขุดเองโน่นนี่นะครัวในสมัยนี้แล้วไม่มีนะตรงนี้เราเป็นไทยแรงงานทั้งนั้นรัชตารบอะไรไวไหมครับว่าทําไมที่จะต้องขยายเขตขยายโตเพราะอะไรถ้าว่ามีพระก็อยู่แค่สองสามลูกฉันบอกว่าลูกหลานของท่าน จะมาอีกภายหลังโอ้จะมาอีกเป็นเป็นแสนแสนคนเป็นแสนนะครับแสนคนแล้วท่านตักคูว่าไงครับไปแต่งกันเลยว่าเอขนาดอยู่หกคนนี้หลวงพ่อเองกนะ็ต้องถูกเป็นโตครับผูกเป็นโตไม่เพราะว่าต้งไปเอาเงนินไปให้ก็ทํากับข้าวมาเลี้ยงท่านครับแล้วก็เราพระมีห้าหกอ ง, งนี้พระก็แล้วยื่เหลือสามสี่องค์เท่านั้นเองครับคนเป็นแสนหนึ่งไม่จบอืมก็ต้องดูนะแล้วจะไม่ากา้าพูดออกไป กลัวว่าเอลูกศิษย์ประจำจะไม่เชื่อกันอะไรพอหลวงพ่อท่านมาอยู่ท่านก็เริ่มสอนกรรมฐานกันเลยเริ่มต้นจากลูกศิษย์เก่าจากไชนาทไม่กี่คนกับพระสองสามรูปหลวงพ่อท่านถืองานสอนกรรมฐานเป็นสิ่งสําคัญที่สุดท่านได้เริ่มสอนตั้งแต่ก่อนจะมาอยู่วัดท่าสูงคือไปช่วยสอนที่วัดสะพานจังหวัดไชนาท ตั้งแต่ปี2508สมัยนั้นท่านได้กำรามโนมยิทิของอาจารย์สุไปร้องฝึกให้สิทธิชัยนาฏและได้ผลเป็นที่น่าพอใจจึงนำวิชานี้มาสอนที่วัดท่าสูงพอท่านเริกสอนจะมาทานตั้งแต่ตอนนั้นมาแล้วทำงานก็สอนทุกวันทำงานก็สอนทุกวันทุกวันเลยเป็นเย็นจนไม่ครึ่งเท่านจะลงมาสอนทุกวัน ถ้าร um ่างกายไม่ปวยมากจริงๆจะลงมาสอนทุกวันนะครับสามสี่ห้าองค์นี้ก็สอนตอดทุกวันครับมีโยมสามคนพระสี่องค์สามองค์ก็สอนทุกวันครับเรื่องกัรสอนกรรมฐานของท่านไม่เคยขาดไม่เคยขาดเลยเลยนครับสืบเนื่องจากงานสอนกรรมฐานนี้เอง ที่ทําให้มีคณะสัทธาเดินทางมาเรียนและฝึกกรรมฐานเป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆอาคารสอนกรรมฐานและอาคารที่พักคณะศาิษย์จึงมีมากขึ้นและใหญ่ขึ้นเป็นลําดับและด้วยสาเหตุนี้เองเป็นสาคัญทําให้หลวงพ่อต้องเริ่มสร้างสิ่งก่อสร้างาต่างๆมากมาย เพื่อรองรับคณะศึกที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลุงพ่ อ, เ ร, อ เ, เริ่มสร้างด้านฝั่งรินน้ำก่อนโดยเริ่มสร้างหอสวดมนต์ต่อจากเดิมเป็นหลังแรกมีช่างเตรีอนหน้ากัรมาทำ โดยมีลุงเวงพี่ชายท่านช่วยคุมช่างช่างประจำก็เป็นสามเณรมาจากวัดปากคลองมาขามเท่าและพระลูกวัดจานวนหนึ่งในปีแรกนี้ท่านยังได้สร้างอาคารอาตโรพิขุมุศรเนื่องมาจากการอุปสมบทของนาวากาศเอกอาธรโรจนวิภาค สุดรุ่น แ, แรกๆของท่านปีต่อมา2512ท่านได้เริ่มสร้างอาคารอีกหลังหนึ่งเพื่อรับกระถิ่นของพลอากาศโทมมราชวงศ์เสริมสุขสวัสดิ์และพยาพร้อมด้วยคณะที่ทมาพักที่วัดเมื่อแล้วเสร็จอาคารนี้ได้ชื่อว่าอาคารสุยสารปีถัดมาจึงได้สร้างสลาการเปลียนว้เป็นที่รับรองและจัดงานของวัดสลาหลังนี้ต่อมาเป็นที่รู้จักกันว่า ศาลาพระสี่พระองค์ส่วนอาคารสื่อสารจึงใช้เป็นที่พักไปอาคารกลุ่มริมน้ำที่มีความสําคัญอีกหลังหนึ่งคือตึกอินทราพเพงศ์ท่านครูนนทาอนันตวงศ์สร้างถวายเดิมเป็นตึกชั้นเดียวและได้ขยายต่อเป็นตึกสองชั้นตึกกับตึกเดิมในเวลาถัดมาและได้ใช้เป็นที่พักและที่ทํางานของหลวงพ่อตลอดมาโหอกรรมฐานหลังแรก เรียกกันว่าหอขาวสภาใหญ่ที่สร้างคือคุณวัฒนีคุณนากเมใช้เป็นที่ฝึกกรรมฐานต่อเนื่องมาจนถึงราวกลางปี2 5 1 7สูดเนื่มาจากการสอนกรรมฐานนี้เองที่ทำให้มีคณะสธาเดินทางมาเรียนและฝึกกรรมฐานมากขึ้นเรื่อยๆอาคารเฉลิมศีสร้างขึ้นเป็นที่พักและมีโถงใหญ่เป็นที่ฝึกกรรมฐาน ติดกองทุนชั้นล่างเป็นที่รับแขกของหลวงพ่ออีกกันเป็นอาคารไม้เรือนไทยซึ่งเป็นที่พักและที่ทํา ง, งานของคณะทําบายศีเหล่านี้เป็นอาคารฝั่งวัดเก่าริมแม่ น, น้นํำสแกกรังซึ่งหลวงพ่อได้สร้างเสริมและซ่อมแซมจนเต็มเนื้อที่ จากปี2511ถึง2516เนื้อที่ของวัดนาะ น, นั้นมีเพียงแค่หกไร่เมืม่อท่านดบับเิลจะสร้างพระโบสถ์ขึ้นใหม่เมืม่อปี2516ท่านจึงต้องขยายปรับที่อีกฝัก่งหนึ่งของถนนสมัยปี2516ที่ตรงนั้นยังเป็นป่ารสชัดเป็นป่าไผ่แถบหนึ่ง ที่นาแถบหนึ่งท่านได้ที่เพิ่มสิเอ็ดไร่และให้สร้างกำแพงล้อมรอบซะก่อนจากนั้นจึงสร้างกุฏิสิบหลังที่ปลายที่ด้านหลังโดยหลังแรกอยู่ที่มุมเศรษฐีเป็นหลังใหญ่หน่อยพระครูปรลัดนันท์จเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันก็เป็นหนึ่งในคณะช่างที่ร่วมทำการก่อสร้างกุฏิชุดนี้ โดยสร้างเป็นสองชั้นเดิมชั้นบนเป็นไม้แต่ปัจจุบันรื้อใช้คนขีตแทนทั้งหลังตอนนั้นพระทา ง, งานก่อสร้างกันทุกองอยู่กับหลวงพ่อต้องขยันปีถัดมา2517เริ่มสร้างพระโบดสถ์อนโบสจะเสร็จท่านได้สร้างมณฑกหลวงพ่อปานและหอระฆังขึ้นในปี2518และทุก บุญครบรอบ100ปีเกิดหลวงพ่อปานวัดบางนุงโคพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เฉลมาเททองหล่อรูปหลวงพ่อปาน สมเบบพระพุทธโคสาจารย์วัดสามพยากับสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชภัฒนิการามทำพิธียกช่อฟ้าคราวที่ท่านทำพิธีบวงสวงจุมนุงเทวดาเมื่อครั้งจะสร้างโบสถ์นั้นฝนตกโปร ย, ปยเป็นละองเห็นได้ชัดแต่ไม่มีใครเปียกเป็นอัศจรรย์หลังพิธีท่านกล่าวว่าพระท่านพยากรว่า สร้างสองปีเศษก็เสร็จและก็เป็นไปตามนั้นจริงๆในปี2520พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาวัดท่าสูงอีกครั้งหนึ่งทรงตัดลูกนิมิตและทรงประจุพระบรมสารีริกธาตุที่พระประทานซึ่งถวายโดยโดรเดือนและคุณหญิงเยาวมานบุญนาถพร้อมกับเงินทุน 10,000 บาทจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการก่อสร้างยางต่อเนื่องของวัดท่าสูง จนกระทั่งวัดใหญ่โตขึ้นอย่างที่เห็นในปัจจุบันเวลาไล่เรี่ยกับการก่อสร้างโบสถ์ท่างก็ได้ขึ้นวิหารหลังโบสถ์สลาลายซ้ายขวากำแพงแก้วรอบโบสถ์ด้านหลังมีกุฏิพระอีกสุหลัง สลาธรรมสถิตซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่พักผู้ปฏิบัติธรรมสลาพระพินิษ์อักษรใช้เป็นที่จุด ก, กรรมฐานและเป็นอาคารทำบุญเลี้ยงพระและฟังเทศในวันพระแต่วันสำคัญทางพุทธศาสนาอื่นๆพอสลาธรรมสถิตใกล้เสร็จท่านก็ขึ้นสลาณวราชไว้เป็นสลารับแขกแต่จะเริญกรรมฐานตอนกลคืน นอกจากลุมคาในเนื้อที่ที่ใกล้โบสถ์ที่ทำการก่อสร้างในระหว่างปี2517ถึง2520แล้วท่านยังขยายงานก่อสร้างออกไปในพื้นที่แนวถนนด้านเหนือวัดซึ่งแต่เดิมเป็นป่าไผ่ท่านเรียกวีเวนม้ว่าอาสมฤสีลิงดำสองสร้างถูกเป็นอนุสรณ์แดบบ่พระพิมิตศรนรซึ่งเป็นพระราชบิดาของรัชกาลที่หนึ่ง ประกอบด้วยอาคารหลังใหญ่สองชั้นอีกสิบหลังโดยตั้งใจว่าให้เป็นกุฏิพระและมีอาคารที่พักขนาดกลางสองชั้นอีกห่งหลังและมีถังเก็บน้ำประปาอาณาเขตนี้ในเวลาต่อมาปีพุทธศักราช2527ถ้ามันเยอะเข้าทางราชการให้ใช้เป็นโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าสุน ในระยะเวลาสุดปีที่ท่านอยู่ที่วัดท่าสุงมไ่เพียงแต่ท่านจะทําให้วัดเล็กๆที่ทุดโทรมหมดสภาพใช้งานบนเนื้อที่หกไร่กลายเป็นวัดใหญ่โตมีอาคารไ้ใช้งานมากมายเนื้อที่กว่าสองร้อยไร่เท่านั้นลูกศิษย์ขึ้นจาเดิมนับจํานวนร้อยก็ยังยากเพิ่มขึ้นเป็นหมืน่นเป็นแสนเต็มจริงอย่างที่ท่านปราลบไว้เมื่อแรกมาอยู่วัดท่าสุง อาตจรันอันนี้เป็นมาอย่างไรหลวพ่อท่านได้เฉลยไว้อย่างนี้ฉันได้เคยปรารถนาพุทธภูมิไว้แต่หากบังเวงเจตนาเดิมก็จะต้องมาเกิดอีกถึงเจอดชาติจึงจะได้พบและอุปการะลูกหลานญาติมิที่เคยเกี่ยวข้องสู่พัน์กับฉันมาในอดีตชาติได้ทั้งหมดซึ่งนับเป็นภาระที่หนักมากและฉันก็เบื่อนายโลกมนุษย์นี้เต็มทน ที่ไขอลาพุทธภูมิและขอเอาชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของฉันดังนั้นภาระในชาตินี้ของฉันที่มีมากเพราะจะต้องอยู่ช่วยลูกหลานญาตินิดที่เคยเกิดร่วมพบร่วมชาติกับฉันมาในอดีตชาติและมาเกิดทันฉันในชาตินี้ทั้งหมดจะพ้นจากอาบายภูมิด้วยหาผู้ใดมีบุญบารมีก็จะได้ไปถึงพระ น, นิพพานหาผู้ใดบุญบารมีน้อยก็จะพยายามให้สร้างบุญกุศล เพื่อไปพักในสวรรค์ชั้นดาวดึง่อลเมื่อพระศรีอารมาตรัสรู้ก็จะลงมาเกิดเป็นมนุษย์ในสมัยพระศรีอาน์ผู้สมหยักที่จะช่วยให้ดยสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงก็คือการถวายสังฆทานและการสร้างวิหารฐานนั่นเองดังนั้นที่นี่จึงมีการก่อสร้างวิหารฐานมาก ต่อมาปี2521คณะสิทธิธที่ติดกับโรงพยาบาลถวายหลวงพ่ออีกเจ็ดไรหลวงพ่อจริงจัดให้เป็นเขตของมูลณิธิและได้เริ่มสร้างเป็นกำลังการเป็นหลังแรกปรีถัดมาสร้างหอพักผู้มาปฏิบัติพระกรรมฐานเป็นลักษณะห้องแถวสองชั้นติด ก, กันไปจากหนึ่งร้อยห้องเพิ่มเป็นสองร้อยแปดสิบห้อง เรื่อมีผู้ต้องการทำบุญสร้างมากมายเสร็จแล้วท่านก่ออนุญาตให้เจ้าของที่สร้างอยู่พักปฏิบัติพระกรรมฐานได้ด้านหน้าตึกอำนวรหลวงพ่อให้สร้างวิหารพระวิสุทธิเทศซึ่งเป็นเดือนแก้สองชั้นขึ้นในปี2523เพื่อพุทธบริษัทไ้กราบไหว้บูชาและพุทธบริษัทที่ฝึกมโนมยิทิ แต่เห็นภาพของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงเมื่อพระองค์ประทับอยู่ในพระนิพพานสร้างต่อเ น, นื่องกันไปกับรลงมอาคารชุดนี้มีตึกกลางน้ำนึ่งจะตึกตั้งอยู่กลางสระน้ำเป็นอาคารสี่ชั้นคุณสมวนชูจิตตารมณ์เป็นเจ้าภาพใหญ่เมื่อเสร็จหลวงพ่อได้ย้ายมาพักอยู่ที่ตึกนี้หลายปี ถึงพี่สองพันห้าร้อยสามสิสองตึกธรรมวิโมกและตึกเจริญธะกรรมาฐานเริ่มป่อสร้างในเวลาไล่เฮกันตอนนั้นมีคนมาวัดมากตึกสร้างเท่าไรก็ไม่พอให้คนพักผู้คนมาเจริญกรรมาฐานกันก็มากเป็นอํานวยการนี้ใช้จนที่ให้คนมาติดต่อเรื่องที่พักต่างๆ คราวนี้มาดูทางด้านสาราจันบานสาราวัดท่าสุง่งซึ่งใช้เป็นที่บำเพ็ญกุศลในวันสําคัญต่างๆทางพระพุทธศาสนาหลวพ่อก็ต้องสร้างให้มี้ขนาดใหญ่ขึ้นตามบริมาณของผู้คนที่รังไหลามาทำบุญมากขึ้นทุกปีโดยเฉพาะงานใหญ่เช่นงานกระถิ่งงานเต่ายันกรอกเพชรจากสาาพระพินิต ท่านกาสร้างสัลาสองไล่แต่สลาสื่ไล่ไล่กันมาให้ทํนใช้งานในช่วงปี2525ถึงปี2528ใหญ่เท่านี้ก็ยังไม่พอจูพุทธบริษัทที่มาบำเพ็ญกุศลเพิ่มขึ้น เป็นจานวนมากทุกปีในที่สุดท่านจิงได้สร้างศาลา12ไร่ขึ้นเมื่อพุทธศักราช2530โดยสร้างศาลาครึมเต็มพื้นที่12ไร่แม้กระ น, นั้นเมื่อคราวมีงานเป่ายันกรอบเพชรท่านยังต้องทำพิธีถึงสามรอบเพื่อให้ผู้คนที่มาได้เข้าพิธีจนครบทุกคน กานก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่หลังสุดท้ายที่หลวงพ่อสร้างไว้คือวิหารร้อยเมตรซึ่งท่านเริ่มสร้างกลางปี2530ห้า้อสาสิใช้เวลาสองปีเสร็จมีความยาวร้อยเมตรหลังคาเป็นรูปยอดปราสาทสามยอดหมายเป็นการบูชาพระไตรสรนาคมทั้งภายนอกภายในประดับกระจกเงามีเฉลียงกว้างยาวเท่าตัวอาคาร ใ น, ในหลวงพ่อได้สร้างพระพุทธจินราาจ้ำลองหน้าตักเ็บซอกเป็นพุทธบูชานอกจากนี้ยังมีห้องและเจดีบรรจุพระบระมสารีริกทาตของพระพุทธเจ้าซึ่งสร้างทับสถานที่เดิมซึ่งมีพระบระมสารีริกทาตพระบระมสารีริกทาตตรงนี้เคยปรากฏเป็นแสงสว่างเหมือนโคงลอย ขนาดโตกว่าบาตระสองถึงสามเท่าร้อยวนอยู่ให้ผู้คนเห็นเป็นปาฏิหาริย์จำนวนมากในระหว่างที่หลวงพ่อก่อสร้างวิหารนี้ความเป็นมาของการก่อสร้างวิหารหลังนี้เป็นอย่างไรและวิหารแก้วหลังนี้ล่ะครับเป็นยังไงมายัางไงท่านถึงได้สร้างลึกสร้าขึ้นคือหอยแก้วหลังนี้เรีเดิมทีเป็นที่ของเจ้าบ้าน อ๋ icana, ขนาดยี่สิบเจ็ดไร่ครับยี่สิบเจ็ดไร่แล้วเขาถวายทางให้กว้างสักสี่เมตรเพื่อไปหลังวัดครับส่องนี้ก็เกิดพลาสคนมาเหยีจังมากสิยผิตที่เป็นนายทหารผู้ใหญ่ครับก็อยากจะส่งนะนาตทหารมาดูแลวัดความ ความปลอดภัยของผู้คนกระอุนใจครับในคืนจะออกรัรเวณดูแลความเงียบเลยครับจะเป็นดวไฟลุงดวงผลึกสุดบนอลอยลอยขึ้นไปไปยังหลังด้ครับจะเห็นดวงไฟลอยขึ้นไปแ็้มาเล่าให้คุณพ่อฟังครับตานมันคืนเห็นไฟลอยขึ้นมาอย่างนี้ให้เขาบอกว่าตรมนี้คาดาสจะเด็กคาดคาดนี้อยู่ที่หนึ่งครับ สัมผัสดเราไม่รู้เราละเมอเน่เเเแต่ว่าัเกดูว่าสถานที่ตรงี้ทำมาหากินไม่ได้ได้ครับพ อ, อทาข้าวหนูกินหมดค่ะยิ่เจ็บไรกินหมดเลยค่ะจะทบ่อบาปลาบ่อปลาน้ำจะชื่อมไปหมดไอ้หมดอมอครับทาอะไรก็ไม่เจริญทุกทีก็มีะ อ, อ, อะไรได้เป็นสักว์ถ่นเลยครับแต่ของก็ถือว่าเออพ่อจะซื้อก็จะขายนะขายย่อมย่อมครับหลวงพ่อก กัเงินแบบซื้อที่มูยี่สิบเ็ดล้านครับละยะขาละสี่หมื่นบาทครับแล้วก็บรรลุว่าเราจะสร้างสัาใหญ่สักตรงนึงครับนระยะเย็นที่มัตถีก็ให้เงินลงทุนบ้างครับทนเริ่มกอสร้างเลยครับเมื่อก่สร้างสรจเลมื่อสรงจให้ประมาณเวลาที่สซบสีครับตอนนี้เราไปไดสามสิบครับถึงไปได้สาสิบสครับไปแด้สิบ ก็ไม่ร้เสร็จเพียงแต่อไปไ่ให้หยุดยั้งจุดคือสงเหล่อนี้เอามีเทาลาอินอินมายึดวะยะจุดนี้แต่ว่าเสต่ตาอยู่เหมนเหมือนแต่ความสอาดัองจิคนขั้นตอนเหล่าสว่างในดวงใจจิตจะไปจจิตจะเป็นจ oh MO? yeah. ิตเต็มในทางกรลงมือติให้ทางติดเป็นจุดกันแล้วสวย่ามจะเตือนด้านตรงข้ามนั่น ตรงข้างกะบทานปรานที่จึงาลาจนเกิดให้มนบนีว่าให้เกิดสิกษุอม่เกิดหลังมาภายหลังเนีหลังมาภายหลังนี่ยจะมีอากาศไหวเป็นผลมงคลค่ะเป็นผลมคลแต่ท่านท่านจะปลอไว้ยังไงปล่อยไว้เพราะว่าเมื่อบรรลุภาพทุกจะามาเริ่มทำกันค่ะค่ันกัมีแค่นี้มั้ค่ะ พระพุทธรูปหลักของวัดนอกจากพระประธานในโบสถ์และพระพุทธชินราชในวิหารร้อยเมตรนี้แล้วก็ยังมีสมเด็จองปฐมอีกองหนึ่งที่มีความสำคัญพิเศษหลวงพ่อท่านสร้างแทนองค์พระพุทธเจ้าองค์แรกซึ่งกว่าท่านจะได้บรรลุอภิเศษสัมมาสัมโพธิญาณท่านต้องใช้เวลาถึงสี่สิบสงไขยกับเศษ พิธีเททองหลอ่อท่านทาเมื่อวันที่15มีนาคม2535โดยมีสมเด็จพระพุตโกศอาจารย์วัดสามพระยาเป็นประธานทองที่ได้จากการบริจาคนำมาหล่อสมเด็จองประถมทั้งหมด78กิโลกรัมหลวงพ่อบอกว่าอุชาท่านห้ดีจะมีลากมากปีถัดมาท่านพระครูประหลัดนันยังได้ทาพิธีบรรจุพระบรมธาตุในพระเกศของท่าน โดยวิธีมีขึ้นที่มณฑกแก้วสมเด็จองค์ปถมซึ่งเป็นสถานที่พิเศษเพราะมีพระบรมสารีริกธาตุสำคัญมากทีนี้มาดูพระพุทธรูปสี่ศอกที่ตั้งรอบวิหารรอบศาลานับจำนวนเป็นร้อยทำไมจึงเยอะแยะนักหลุงพ่อท่านตอบไว้อย่างนี้ว่า ทุกอย่างที่วัดนี้ทําตามความประสงค์ของญาติโยมพระพุทธรูปหน้าตักสีศอกที่เรียกว่าพระชัมราณีสงจริงๆแล้วเดินทีเดียวไม่คิดว่าเป็นพระชัมราณีสงเพราะอาตมานึกอยากจะสร้างพระพุทธรูปหน้าตักสีศอกมาตั้งกระเด็กเวลานั้นเขาจะในโบสถหลังไหนก็ตามถ้าโบสถหลังนั้นมีพระพุทธรูปหน้าตักสี่ศอกแล้วก็จะชื่นอกชื่นใจมากนั่งมองพระ จำภาพพระไม่อยากจะเลิกก็นั่งนึกมาตั้งแต่เด็กว่าในชีวิตเราจะมีโอกาสได้สร้างพระสักองค์ไหมต่อมาเจอหลวงพ่อป่านเข้าท่านก็บอกว่าเพราะประธานหน้าตักสีสอบเขาถือว่าเป็นพระมาตรฐานในเมื่อมีบริเวณสถานที่อยู่ก็ร้องให้ช่างวัดดูว่าตรงนี้ถ้าจะสร้างพระพุทธรูปหน้าตักสีสอบจะได้สักี่องค์ ทีแรกตั้งใจจะสร้างสักสององก็พอแต่พอช่างวัดดูบอกว่าสร้างได้ยี่สิบแปดองก็ให้ช่างทำเพระาะญาติโยมพุทธโดยสัท์ ร, รู้เข้าคนนั้นก็ขอเป็นเจ้าของคนนี้ก็ขอเป็นเจ้าของจนถึงเดี๋ยวนี้มีพระธรรมะนี่สงถึงพันกว่าองค์ทุกองค์มีเจ้าภาพหมดญาติโยมก็จองเป็นเจ้าภาพกันจนท่านไม่มีที่จะสร้างให้ ตอ่แรกวัดนี้ทาในวัดนี้เป็นทำเพิ่มอื่นเพราะว่าตานหลังก็แก่ครับแก่มากแต่มากเราจะการไปยังที่ที่ไปตายเมื่อรจไมอไหวครับจะต้งเป็นเวลาเวาที่จะหัวเนี่ยเป็นไว้วางใจให้ทำถูกเนี่ยเราก็แกแล้วจะไปเหมยอยือก่อนจะไม่ไหวครับ จ, จ, จ, จะตยอย้องว่าเออจะทาอะไรที่เป็นส า, าระประโยชน์ช่วยสังคมได้ดีครับคิดว่าทำโรงเรียนเนี่ยครับ เป็นเรียนเหมือนว่าได้ปั้นเดกให้มีคุณธรรมครับแล้วก็ก็ลงใ้ายลงเรียนครับกาเรียนไปสอนไปใจมัธยมหนึ่งถึงมัธยมหครับมื่อสอนแล้วจะจะเอารียะทำความประพฤติของเด็กเปนเกณครับคือจะรับจะอบรมสั่งสอนให้อยู่ในศีลธรรมด้วยครับจะทำมากันมา้แต่3้สามสามสิบ สามสิบเติมเติมมาถึงะุท์บัมนี้แล้วเด็กจบแต่เราจิ้มลื่นแล้วมีกระทุนการศึกษาให้ไหมไปถึงไหนยังไงบังคับคณะนี้เนี่ยจีนี้ยพศสองพันาสบสี่สิห้าสี่สิห้าาทำมาแต่พสมสครับเด็กก็จิละรื่นจิ้มล่นเขาจบสี่ปีแรกวเจะต่อมหาลัยครับพ่อจำได้กตอมหาลัยแล้วเนี่ยจะหาคุณให้เช่นเดีผู้ปกครองครับ ให้มีการบรรเทาคุณบรรเทาทุกทางบ้านอยาบ้างครับจให้เด็กินเรียนดูไดทุกเดือนเดีอนละพันห้าทุกคนบรรยากาจะจบเรีนศึกษาครับแล้วก็เห็นว่าที่ตรนี้การจบข้าวสบายจะมีมากครับทางกะสร้างโรงพยาบาลแม่ะดกาสร้างโรงพยาบาลให้อีกด้วยหนงการทำข้อชั้นหนึ่งของโรงพยาบาลเลยครับเป็นประเทศไทยเช่นน้ ถึงระลูนิ่งข้าวเย็นมาทำข้อที่งโอเป็นห้องี่เิดทางนั้นค้ัวห้องห้องค้าวอ่าการอยู่การไปมาสะดวกข้ามีสักกี่ห้องครับนับัปดครับก็ประมาณหกจุดเตียงข้าวประมาณหกจุดเตียงข้าวครับก็เป็นการเชื่อมโยงคนข้าวผู้นที่ท่านก็ตัดลดว่าให้สนใจไปแล้วนี่นะหยุดอย่างที่ท่านท่านจะพักถือ จะขอให้ทำงานการวัตถุโยนตรงนี้ครับเพื่อว่าช่วยเหลือทุนคนได้อุกสนหนครับการจะค่อยๆสร้างคนดีขึ้นมานั้นแม้จะไม่ได้ทีละมากมากก็คิดว่าทองคำถึงจะมีไปมาน้อยกว่าดินโครนสามารถทําให้คนที่มีทองคําเป็นสมบัติมีความสุขกว่ามากมายนะัก ปีนั้นพะไทยว่าจะเป็นปีครบยอดหกสิบปีของพระยาอยู่หัวครับท่านจะสั้งติดถวายพระราชจิดาเสรครับมีมันจะแก้วครับมันจะแก้มติดหนึ่งสมุกแก้มมีบรรจุพระเดยจอาและพระองค์ที่สิบที่สิบเอ็ดครับเราไี้จับกันในนามในนามนั้นแล้วก็มันจพระทาวหาธาตทั้งสี่ครับ ที่นั่นก็สร้างสั้างเยอะเลยสร้างเย็นสามจุดเจ็จุดหนึ่งครับอันนี้คือยอดถวายอันนี้เราจะาเห็นตะบดาย่ราจะไดอยู่หัวครับเป็นงานที่ทาติดต่อกันมาตลอดเที่ยงวันต็จะเป็นรยวัสิบไม่หยุดเลยเรื่องทุกงานครับเรื่อเงิคนมาขึ้นมาเยอะครับคนเข้ามาเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนค่ัแต่ราคาแต่ราคาหนึ่งนอกจากนี้ในวัด ยังมีรูปปั้นและอนุสาวรีย์ท่านคือมีความสาคัญหลายท่านหลายองค์อยู่ตามจุดต่างๆในวัดด้านหน้าพระวิสุทธิเทศเป็นอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตดุดมสั์ เจ้าพยาโกษ า, าธิบดีเหล็กอยู่ทางซ้ายและขวาของพระวิสุทธิเทวศตามลำดับถัดมาทางด้านหน้าจะเห็นพระรูปหล่อพระเจ้าพรมมหาราชทรงช้างสุดกระกายแก้วคู่กระไทย ท, ท, ท่านทันพิกีหล่อพระรูปไว้ตั้งแต่8กุมภาพันธ์2525 หน้าโรงพยาบาลด้านหน้าตึกปฐมราชานุสรมีอนุสาวรีย์พระพินิ์อักษรทองดีและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด ฟ, ฟ้าจุฬาโลกมหาราชและสมเด็จพระติยมหาราชอยู่ด้วยกันสามองค์หลงพ่อสร้างและธมพิธีเปิดแพล่คลุมพร้อมกับเปิดโรงพยาบาล เมื่อ24มีนาคม2528ข้างตึกอินทราพงเป็นรูปปั้นนายวงสังสวร์หรือท่านขุนไกรพี่ชายหลวงพ่อที่ได้มาช่วยท่านสร้างวัดแต่ถึงกระทำเมื่อพุทธศักราช2516ทางเดียวกับตึกรับแขกชายน้ำบ้านติดถนน เป็นรูปปั้นของท่านท้าวจะตุมหาราชทั้งสี่อยู่ในบรรดกแก้วท้าวจะตุโลกบาลมาถึงสององค์สำคัญที่สุดของวัดท่าสูงหลุงปู่ป่านตั้งอยู่ในวิหารหน้าโบสถ์ด้านเหนือ และลูปปัน้นหลวงปู่ใหญ่เมือ 2, ่อปี2 5 1พสผมขออนุญาตหลวงพ่ อ, อ, อปั้นลูเหลวงพ่อกับหลวงปู่ เ, เพื่อจะไปอยู่สถานไร่นาพระอุโบสถท่านก็บอกบอกว่าเอ้คุณคิดเหมือนใจฉันแล้วท่านก็อนุ ญ, ญาตผมก็ไปติดต่อท่านอาจารยร์ปฐมบุญโพแก้วสมันยนั้นอยู่ที่โรงเรียนช่างถิงเป็นศิลปกรต่อมาท่านจะเป็นรองที่มาดีกรมศิลปกรก่อนจะเกียณท่านจะประพ ม, บบมก็ปกั้ น, ป น, ท น, นทั้งรูปหลวงปูง่ป า, านแล้วก็หลวงพ่อพอปั้นแล้ว หลวงพ่อท่านจะไปนั่งเป็นแบบให้สามผลแล้วก็พอถึงงานเททองหล่อรูปหลวงปู่ปานสบายๆแล้วจะอยู่ก็จะเด็ดมาเมื่ออันเชิญรูปทั้งสองขึ้นมาไว้หน้าเต้าอุโบสถแล้วก็มีคนพักว่าถัาปั้นรูปหลวงพ่อแล้วกัเดี๋ยวหลวงพ่อจะอยื้อตั้นหลวงพ่อก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรหรอก รูปนี้ท่านอุทิศผวายหลวงพ่อใหญ่หลวงปู่ใหญ่ก็แล้วกันแล้วท่านก็ให้ทำชื่อหลวงปู่ใหญ่มาติดเอาไว้เพราะฉะนั้นรูปปั้นรูปนี้จึงเป็นรูปของเจเด็มพระพคุณหลวงพ่อรูปแรกก็เลยกลายมาเป็นชื่อหลวงปู่ใหญ่ตั้งแต่นั้นมา วัดท่าตุงแต่เดิมนั้นตามที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเล่าไว้นะครับวัดนี้เนี่ยสร้างก่อนกรุงศรีอยุธยาประมาณสามสิบปีนะครับซึ่งหมายถึงเป็นวัดที่สร้างในสมัยสุโขทัยตอนปลายในสมัยแรกก็มีกุฏิหลังคาจากและก็มีบสเล็กๆ อ, อยู่วัดนี้ก็มีพระติดต่อกันมาจนกระทั่งถึงสมัย เจ้าสามพระยาก็ร่วงโดยลงนะครับสมัยนั้นเนี่ยแถบเมืองสันดุรีชัยนาธเาจ้ายี่พยาเป็นผู้ดูแลอยู่นะครับ <c oughs> แล้วก็ก็ไดยพระคุณหลวงพ่อท่านก็นเกิดในสมัยนั้นเหมือนกันนะครับท่านเป็นหลานของเจ้ายี่พยาก็มาอยู่กับเจ้ายี่พยาที่นี่ก็ได้มาช่วยพนันลุบำรุงวัดนี้ในสมัยนั้นนะครับ ต่อมาจนทั่งถึงสมัยรัตนโกดวลใจโลกนาฏวัดก็ดุริเวนขึ้นครั้งหนึ่งต่อมาวัดก็เสื่อมโทรมลงอีกจนกระทั่งถึงสมัยสมเด็พเดจพระน า, ร, น า, นานรายณ์มหาราชสมัยนั้นเนี่ยท่านเจ้าอาวาสชื่อหลวงปู่จันนะครับที่เปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดจันทารามเนี่ยนะครับคือใช้ชื่อของท่านจเจ้าอาวาสสมัยนั้น ในสมัยกษัตริย์พระนารายณ์นั้นอหลวงปู่จั น, นี้ท่านเป็นทหารเป็นแม่ทัพใหญ่ไปตีเมืองเชียงใหม่หลังจากกลับกลับลงมาแล้วก็เบื่อหน่ายในชีวิตขราวาสก็ออกบวชที่วัดนี้ท่านเป็นพระผู้ทรงคุณวิชาพยันของท่านนักตักสิกสนักในเรื่องเหนียวนะครับแล้วในสมัยนั้นเนี่ยกษัตริย์พระคุณหลวงพ่อท่านก็อยู่แถวนี้แหละนะครับในสมัยปลายศตวรรกษัตรพระนารายณ์นั้นกษัตรด็์คุณหลวงพ่อ ท่านมีชีวิตอยู่ในบริเวณนี้ก็ได้ทํานุบำรุงวัดนี้กับท่านจะเอาวาาหลวงปูจ่จันรด้วยเหมือนกันนะครับต่อมาพอถึงสมัยปลายอยุทธยาวัดก็ส่วนโทรมลงอีกจนกระทั่งมาถึงท่านจะเอาว่าสมัมยที่สามที่ได้ทํานุทานุบารุงวัดนี้ขึ้นมาเนี่ยก็มาในสมัยต้นรัตนโกสินทร์นะครับ เมื่อปีพศ2332หลังจากสร้างจุงพระตนะกูสิงห์ได้เจ็ดปีนะครับอท่านจะเอาวาดองค์ น, นี้เนี่ยที่ใครจะใครใครเรียกแบบเรียกท่านบาท่านชืน่อท่านชื่อปานเหมือนกันนะครับนะครับชื่อหลวงปูปานเหมือนกันแต่ว่าชาวบ้านก็เรียกประมาณหลวงปู่ใหญ่ท่านก็เป็นองค์จะเรียกว่าเป็นองค์ที่ทําให้วัดกันทารรามท่าสูงนี้ มีชื่อมาจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ได้ครับแต่ว่า <c oughs> หลังจากหลวงปู่ใหญ่แล้วเนี่ยก็ <c oughs> ยังมีพระผู้ทรงคุณวิเศษที่เป็นเจใ้าอาวาสสืบต่อมาเนี่ยอีกห้าหกองด้วยกันจึงมาถึงสมัยพุทธานิชที่ตักที่วัดออกขายบ้างเอาพระพิธรูปเอาโบราณวัตถุที่ทำงานของวัดออกขายบ้าง ที่วัดเดิมทั้งหมดมี270ไร่ก็ถูกตัดขายออกไปจนกระทั่งเมื่อจะเดศคุณหลวงพ่อมาที่วัดนี้ในปีพศ2511นั้นที่วัดเหลืออยู่แค่6ไร่เิดเท่านั้นเะเดศคุณหลวงพ่อจึงได้เริ่มทำนุบา ร, รุงวัดนี้ขึ้นมาอีกเป็นครั้งที่สามตามคำอาณาธนาของหลวงปู่ใหญ่ท่านจะเอาวาโองแง่สมัยรัตนโกสินทร์ ท่านได้ตายลบกับเด็จพระคุณหลวงพ่อว่าเธอช่วยทำนบุบบำรุงวัดนี้มาแล้วถึงสองสมัยมาช่วยทาอีกสมัยหนึ่งเธอแเสวจพระคุณหลวงพ่อถึงได้รับปากว่าจะมาดูอหนักวัดนี้ให้รุ่งเรืองดังเดิมครับ ป้องรอเวลา20ปีที่หลวงพ่อได้ทำวัดท่าสูงให้รุ่งเรืองขึ้นถ้าดูเรื่องงานก่อสร้างแล้วคงไม่มีใครทำได้เสมอเหมือนท่านแม้หลวงพ่อท่านจะปรารบเรื่องการก่อสร้างไว้หลายครั้งหลายหนว่าเดือจริงๆอาตมาหนีการก่อสร้างมาจากวัดบางนำโคเบือการก่อสร้างหวังจะหาอยู่ที่สงัด เมื่อเห็นวัดท่าซูงมีสภาพเหมือนวัดร้างก็คิดว่าวัดอย่างนี้ไม่ค่อยมีคนมาเราจะสร้างกุฏิสักหลังเดียวแบบกระถาเล็กๆ ก, ก, ก็สบายใจแล้วแต่ตลอดมาท่านไม่เคยได้หยุดการก่อสร้างท่านชี้แจงไว้ว่าถ้าถามว่าทําไปทําไมก็ต้องตอบว่าเงินท่านให้มาแล้วก็ต้องทำเพื่อเป็นการฉลองศรัทธาท่าน และเป็นบุญกุศลของท่านที่พระพุทธเจ้าสนสันเสริมว่าการถวายวิหารทานเป็นบุญอย่างยิ่งในอมิสสถานไม่มีอมิสสถานใดๆที่มีอานิสงส์เท่าวิหารทานท่านทําแล้วต้องรับสนองท่านถ้าไม่ทําก็ตรงการโกงญาติโยมพุทธบรยสัตว์นอกจากนั้น เรื่องการก่อสร้างนี้ทําให้หลวงพอ่อท่านมีหนี้สินเป็นจำนวนมากอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีผู้บริจาคทําบุญเข้ามาท่านจะพอรอนชระหนี้ไปโดยจะไม่เก็บไว้ใช้เป็นส่วนตัวท่านทําตามคําสอนของหลวงพ่อปานวัดบางลงโคซึ่งเป็นอาจารย์ของท่านอย่างเคร่งครัดที่สั่งห้ามเก็บเงินที่ผู้บริจาคให้มาไว้ข้ามปีตามสมณวิสัยแล้วถ้าเหลือจะต้องไปใช้ในส่วนสาธารณประโยชน์ให้หมดท่านบอกว่า มีเหงินมากใจกไม่เป็นพระแม่งานที่หลวงพ่อท่านเบื่อทําอย่างเช่นงานก่อสร้างนี้ท่านก็ยังทำํำซะจนมีผลงานหลากหลายมากมายงานที่ท่านบอกว่าท่านไม่เคยเบื่อทําเลยคืองานสอนกรรมฐานเป็นงานที่ไในเบื่ออยู่อย่างเดียวก็ถือว่าเป็นหน้าที่ พุทธบุตรสัตลูกหลานททุกคนคงเห็นกันได้ดีแต่จับใจในคําสอนของท่านเสมอมาเทศคําสอนเป็นพันพันตลอดหนังสือธรรมะนับร้อยท่านลงสอนกรรมาฐานทุกวันท่านลงเทศทุกวันพระและวันสําคัญทางศาสนาทุกรังนอกจากนั้นยังลงสอนอบรมพระเป็นกรณีพิเศษอีก แตวันสุดท้ายของชีวิตท่านท่านป่วยหนักคําสอนสุดท้ายของท่านที่พวกเราจํากันได้ดีลูกเอ้ยมีเป็นธรรมดาของร่างกายมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายเป็นธรรมดาสังขารมันเป็นอ น, นิจจ์ไม่เที่ยงรักทุกขขังตอนอยู่มันก็เป็นทุกข์แต่ผลที่สุด มันก็อนัตตาสลายไปมีแค่นี้ หลังจากหลวงพ่อมาบณาภาพแล้วร่างกายของท่านไดเก็บไว้ตามคำสั่งของท่านเรื่องเกี่ยวกับพระศตของหลวงพ่อเนี่ยท่านได้สั่งอะไรไว้อย่างไรบ้างครับ เ, เรื่องพระศพของท่าน ท่านจะตาเลือดเมื่อเวลาฆ่ามรณะภาพนั้ น, นไม่ต้องครับเรจะเผาสักเท่าที่เมื่นท่านอยากให้รัดเนื้อเป็นที่พึ่งของลูกศิษที่คนละรักท่านครับเพื่อนแม้มาแล้วไม่เจอท่านไม่เจออท่านที่ยังพูดได้ครับก็ยังเปนลูกศิษครับ พลีระองคท่านนอนอยู่ในในโรงเตีงครับเป็นที่ชื่นใจครับเรื่อ ง, ง ค, คำสอนนั่นเน่เราจกดบเป็นทุกเสียงไว้ของท่านไว้อย่างดีครับทำเป็นให้เสกก็ดีป็นดีวีดีโอก็ดีครับเป็นซีดีก็ดีเราเป็นหนังสือก็ดีครับเราเอาคำสอนองค์งท่านนีนมาประทานเป็นสีอย่างนี้คือให้กวบคุมทนทาย้อครับายใต้ไชนา แต่เพอนทั้ดนกนคนประกอบคาสอนครับว่าคืบาอาจารย์ที่มีสห้อยางเนี้ยอย่างวิมลลแก่เนี่ยขาสอนสอนอย่ี้ให้คนเล่นหลังจะชด้ปฏิบัติทำกันทราบจะไม่ไ่ก่อนถ้ามันไม่ชี้อยู่ไม่แกแต่มิอยู่ให้ปั่นการุษพระยืนเนี่ยปันไอ้ขน่ั้ตเนมาหรือคนปันครับปั่นดินเหมือนเตยกูเลยเพราะว่ารูปปันแล้วมันเป็นดิน ค่ะพ่อก็ไปเสียงานค่ะเราก็ดูว่าโอ้โหเหมือนจำเือนก็คนเดียวเลยค่ะเป็นดึงอยู่ค่ะเป็นฉะนั้นใครมาลนภายภาคหลังอาเจะไม่รู้ว่าพ่อญาติพ่อจริงเราไดูพายืนในห่างไว้ไม่ได้บ้างค่ะค่ะเรื่องเมื่องังตั้งสถานที่เป็นที่เปีคคับท่านไปที่ย่างไว้ที่ย่างไว้จบเปล่าคับ มี่อยู่คราวหนึ่งเราเกิดงาท่านจะบอกว่าเป็นี้นะเป็ที่ตั้งศนะแล้วก็เป็นนี้เปานที่ตั้งที่จดเกิดอะไรฉนองนั้นครับเราก็ความความเล่เป็นเป็นเนคุณฐานแต่คุณถามเพรว่าพอครับตั้งที่เกิดเก็ดตั้งแบบไหนครับทุกตั้งแบบไหนครับท่านหยุดหยุดพูดก็ ทอยูติดตั้งเป็นเรทางกาองติดอ่ะที่เก็ิดชันนาะฉันคงไม่ทำหรอถ้าใครจะบูชาต้องทำเองฉันไม่ทำที่บูชาตัวฉันเองอ่ะขอฉันะปเรียนสมุนสติสมุนสตกมีความคิดขึ้นมาว่าที่บูชาหรือที่ไหว้บูชาคุบายจันคร์ลูกสิษที่ดีควรจะ ทำเพื่อวิชาคุบ่ายจานครับเรื่องนี้ก็แต่ส่วนตัวฉัเองในเงินข้าจะตั้งไต่ศึกษาผู้ใหญ่ครือูเธอรุ่นยาครับก็รับเรื่องนี้ไปศึกษาแล้วก็ทกานก็จะร้เรื่องนี้ดีเรื่องการจับรูปจับแบบจัดที่ตัางครับเพาะว่าอยากให้ท่านเรา้ตัางจะทายหลังครับเราถวายท่านพระครูตัวนี้จะทายได้อะไก็ไครับ คือพอได้รับอาสาจะสร้างแล้วเนี่ยก็ก็จะดูแบบหลายๆแ ห, หยย่ ง, งนะครับเพราะว่าที่เนี่ยจากัดอยู่ที่ความสูงแปดเมตรตอนแรกจะทำเป็นบุษบกก็ยอดก็จะติดหังคาก็ทำไม่ได้จะทำเป็นบุษบกจะปิดระมุอก็จะติดเาาาสาจะบังสบก็ไม่ได้ ก็คิดว่าเอาละเอาเอ า, เอาเป็นบุดระบบฐางค์สองชั้นนี่แหละแต่หลังคาเนี่ยจะตัดเป็นสองตอนตอนล่างเนี่ยเขาจะเป็นหลังคาตัดแล้วเสร็จแล้วก็จะทําบุดระบบข้างบนเล็กๆสามองค์ด้วยกันในใจเนี่ยจะคิดอยาจะสอาดได้เป็นที่ไปปฏิสฐานสิ่งเด็ดดูกระผมะเป็นที่ประจักษบสมด็จองค์ปัจจุบันแล้วก็ทำ บ, บัตรเสร็จไปถวยายเหลวงพ่อให้ท่านดูท่านชีเลยท่านบอบกบอกว่า ตรงกลางนี่ไว้กุศเจ้าแล้วซ้ายขวาก็ภาษาจะอยู่กับพนมโคลาก็เลยต้องเป็นอย่างนี้ทีนี้พระจะสร้างสกุลจริงเนี่ยทุกคนก็ตริงหมดบอกว่าเหมือนกับแช่งคูบาอาจารนประมาณสมัยยังไม่ทํายามอร์นาพไปร้างที่เจ็กศตกมันจะกระจายอะไรอยู่ก็เลยคิดว่าเออถ้าอย่างนั้นทําเป็นธรรมมาตก่อนเป็นไงจะทําบันไดเลื่อนขึ้นข้างหลังก็ไปจราเปลี่ยนศึกษาท่านสอกท่านั้นผมเอาเป็นธรรมมาตรกันแล้วกันนั้นหลวงพ่อ ก็บอกเอาเอาก็พอพอได้แบบได้ายเสร็จก็ไปคุยกับหลวงพี่สามารถในขณะนั้นท่านก็เริเลยลงมือแต่ท่านก็คงจะคิดแบบคนอื่ก็คิคดนั่นแล้วว่าทํำแล้วเหมือนจะแช่นครูบาอาจารย์ก็เรยเช้ามาแต่พอท่านมรณภาพดีแหลวงพี่สามารถไม่นอนแล้วตั้งสามเดือนสามเดือนเพื่อขอแกข่วกาวนี่อะไรว่าที่ว่าใจว่บแช่นครูบาอาจารย์เนี่ยครับเราคิดกันไปเอง ไปเปลี่ยนตัวเองหลวงพ่อเนี่ยท่านสร้างที่เจ็บจะทุกข์ท่านตลอดมานั่นไม่พี่ครับครับท่านอยู่ที่รินน้ำในน้ําสียจังนู้นตึกเก่านู้นครับท่านจะพอสอบอะไสิบห้าหรือไที่สิบสามนี่เนาะครับท่านจะส้างที่ลงเก้าท่านอยู่แล้วครับคือสร้างลงเก้าแล้วแล้วก็อยู่ที่เจ็บน้ำเลี้ยงอยู่ที่ลงเก้าพอตายแล้วก็ ที่เป็นบริเวยยาเก็บทำให้มันลอยเข้าไปในโรงเลยครับพอเช่นนั้นไมมีน้ำหครับก็ย้ายมาตั้งที่ที่หลังโบกอีกครับหลังโบกทันที่บอเมันลงน้ำเลี้ยแล้วที่ตั้งเสร็จแล้วครับมีเลี้ยมีไรตั้งเสร็จไปแล้วขาระยะอนุญาตน้ำเลี้ลงทอดไปเป็นเลยครับอ้าวไปตั้งที่แมาลก็ทางขนาดที่เ็บไปีแล้วครับ ท่านทำหรท่านเหลัดมาค่จนสุดท้ายทำไมแล้วท่านจริงก็อาประสบมาอยู่ที่นี่อะไรเยียว่าเป็นการเช่องหรือเป็นการอยากอุบายใจ ไ, ไ, ไม่มีให้มีในใจสำหรั บ, บคนทำครับไม่มีมมอะความคิดยังไม่คิดเลยครับท่านพระสุครับ ความเป็นมาของการคิดจะสร้างปราสาททองคำ เ, เป็นยังไงมาอย่างไงครับ เ, เรื่องจนมาเลยเพราะว่าคุณพ่อท่านสร้งางวัดมาเยอะครับตอนนึงเป็นหนท่านท่านป่วยก่อนจะมาแล้ภาพปีหนึ่งไม่ถึงปีดีครับเพราะนั้นป่วยมากท่านตืึ้มาตอนบึกประมาณปีสองได้การก็นอนเต่าท่านอยู่มือบอกว่า จะสร้างเป็นตุทองคำนะครับตะสร้างไป็นธขตองคำพราะสตรงไหนครับสร้างตรงเร ง, ง, งเ อ, อิทครับถ้าจะคุยกันพระให้สร้างครับนี่อพ อ, ท, พอ ท, ท, ท่านสูบไเท่านก็ไม่ได้สูบกับใขรต่แมากครับที่เจะสจเดินท่านจะมรณภาพครับมรณภาพแต่เวลาเวลาเพื่อนท่านสืบกับผู้ใหญ่ว่เออพ่ไปลดอย่างเงี้ยครับอา้สร้ง ตา้งระษาทองคำครับขณะศึกษาพระสุริชิตที่แรงใจวัดครับแต่แล้วก็ลูกพ่อเคยไปเล่าว่าเรงนี้จะใช่ที่เก็บตัพุทธรูปอ๋อครับครับมันก็ตรงกับในใจที่เคว่าเออตา้งาษาทองคำเนี่ยเพื่อเก็บตัพุทธรูปครับเปพุทธเจ้าครับที่มีคนยอดเยี่ยมมาเป็นหมื่นหมื่นองครับที่เก็บตับงแพอ จะต้องเกีดเป็นต้า่บางอะไรพิแานบ้างอะไรบา ง, บางครับนน ง, งามสำหรับผู้ลรายป็นนักที่พร ะ, ะเจ้าครับโอ้ท่านเป็นะไรก็หลังท่านก็ได้น่นาภารครลวงทุก็ทุกอย่าถ้าจะสร้างคงดีเดียวไม่สิครับถลธรทมก็คงทำได้ครับก็ได้ปึกจาัะหมู่ภาะตะแล้วก็ตกลงธรรมครับโุกทา่านก็ได้ท่านสามารถเจ้าหมาเป็นทา่านเป็นพระเวทุัข้ามจะมีศรัทธาครับ จะช่วยสร้างประกาทหลังนี้ให้เสร็จข้ออกแบบมาแล้วก็ให้เป็นอนุสาวรี์ด้วยเป็นเป็นปัญหาธรรมด้วยข้ามันเป็นปัญหาธรรมด้วยค้าเอาชุดจบยอดเนี่ยข้าที่เอาชุดมาอะไเนี่ยบ้ออกแบบมาก็ให้ช่างลงมือทำข้าก็ก็ตอนี้ขณะนี้พอ245เสร็จแล้วข้าเออดีมาแล้วครับ น, นี่ดีน้องสาวที่ ประมาณสา3พิศชายสามพจิตต์ิจิตตจะแปดปีนะครับอัีนะครับที่ทำหลงนี้นะครับเนี่ยก็ไม่มีอะไรมาเพราะว่าพระเกจิภูษณาคือคือถวายมาจริงๆแตเป็นการเร่นพระวง่อด้วยเราก็อยากจะนั้นครับทีู่ชาาทที่านไองคำเนี่ยเพราะว่าเครื่องสตาณิที่มีค่ายสูงเนี่ยภูชนาทภเจ้าค่ะพระคณะใหเนี่ยมีอานิสงส์ในพุทธศาสนาทือว่สูงครับคนเกิดมาเนี่ย ที่า จ, จะมีความยากจนถิ่นใจครับเราเชื่ออย่างนี้ก็ิงึงทำตรงนี้ท่านพระสูครับ ตอนนี้ก็ได้เดชพระคุณหลวงพ่อพมรนาถาแต่และสิบปีวัดนี่ก็รุ่งเรืองอุนน่หนาสาครั่งลูกจิตลูกหาแต่เดิมก็มาเดชท้อถอยศรัทธาลงไปนี่น้ำั้งก็ยังมีลูกจิตลูกหาใหม่ๆเข้ามาอีกลูกจิตมันจำเนืนอยู่จะ ม, มากกว่าในสมัยที่หลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่ซะอีกท่านก็คืออมีปฏิปทายัางไงครับในการที่จะตื่น ก็ศา ส, สนาแล้วก็จะรักษาวัดนี้ให้คงอยู่ตลอดไปครับเพื่องศึกษาศาสนาหรืออะไรนี่ครับแล้วก็มีศรัทธาในวัฒนารรมเปใจอยู่เลยครับตอนนี้พ่อมาแล้วหน้าภาพไปแล้วเนี่ยความที่มีศรัทธานี่แต่เราแค่มาขาที่พึ่งครับที่พึ่งแต่ท่านเราก็มีกนละงใจว่าท่านไว้วางใจงครับให้เราเนี่ยจะทำงาน ไปต่อแต่ข้นมาและโดยเพื knew, so they they ่อนโดยเพื่อนพรที so, anyway, not cost, not. ่สุดจะรัดเลื่อนกันทุกองค์ครับที่พระได้เรื่องกันหรือทาให้เจ้าคณะวัดรายงานเจริญขึ้นมาอีกก็เพราะว่าพวกเราเนี่ยเชื่อหรวอพ่อในคำสอนในวิถีที่ท่านแนะนครับเราก็ไม่นอกรอบนอกจากคำสอนของของพระเดชพระคุณหลวงพ่อหรือของพระอาจารย์การทางานท่านจะเคยเป็นเลิกก็จ พระกายยังกระทำดีต huh. ่อพระพุทธเจ้าขอพระทรรมภสมอยู huh. know, so, ่แต่กุบายจัครัดเนยจะไมนโตรัดเนจะองใสไปเรั่อยๆฉะนั้นเมื่อหลวงพ่อลัวภาพแล้วเราก็หาจุดกำเนิดในด้านรรมะธรรมมาเชื่อกันปฏิบัติปฏทึกใหอยู่ในกาะพระธรรมเนย์นับในมืออะไรเออๆที่เป็นล้อกเหนืได้พระธรรมนยไปจะเส่อน แล้วทุกคนมามากนั้นเนี่ยมนท่านคุณพ่อมีชีวิตยอยู่ครับท่านไปเแล้ว่าพระศรีอริยเมตไตรมาตร์คโอ้ครับฝ<ม><ๆ>ากไวากว้าคนของผมของผมด้วย ค, ครับจะ <ๆ imet S 2> มาอยู่ในเมืๆๆ่อประมาณสามแสนคนอครับเพื่อปตามหมายพะว่าใคุณอสอนเปนพื้นฐานไว้ครับเมื่อพระศรีอมิไะตายลงมาจากเมืไรคนสามแสนเมื่อจะเข้าพิมพานครับ นั่นเหนื่เื่อื่อเือยเขาเลย ม, มาเกินแล้วคุยกนฐานครับหลับเขไปเขไ่นคนจุนมากอ๋อมากครับที่จะตูดอายุขาราชกาต่อไปนี่ไหวไดแล้วท่านพระครูคในจิตในใจในที่สามารถทำได้อย่างที่ไม่มีที่ติทำได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์เนี่ยท่านพระครูแต่กำลังใจมาจากไหนทำยังไงก็ที่กำลังใจก็ไม่รูอะไรก็เพราะว่ารักคลวพอ่อครับ เราหลับก็ ingo, um eni, ้างีะครับเราคอลดทิ่ความจรงใจเนี่ยมันมันมีพลังเองเป็พระเจ้าหรือได้ใได้วังใจเนี่ยพลังนั้นมันออกมาจากดวงจิตที่ที่เข้มแข็งครับสามารถจะยึดถือเป็นธาตุองสาระสสาได้ครับมันด้ทำให้ตัวเองนิดหนึ่งเหมือกโกนไได้คือความสุกุิุเออครับรับใช้ไม่ใช่รักใช้ล้วความสุขจิตมันเลตามมาเองครับนี่ไม่มีอะไร ตอนหลุงพ่อสร้างโบถสถ์ศิยปี2519ท่านสั่งให้ทำจารึกแผ่นทองบรรจุไว้ใต้ฐานพระมีใจความว่า เราพระมหาวีระมีพระราชานามว่าภูมิพลเป็นผู้อุปถรัรมภ์เร่่องด้วยพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่สร้างวัดนี้เป็นพุทธบูชาเมื่อสักฤตล่วงไปแล้วสอง0ันเจ็ดร้อปีปลายจะมีพระเจ้าธรรมนิกราชนามวา่าสริธรรมราชาสูกเชื้อสายมาจากเชียงแสนและจุขโขไทยร่วมกับพระอัลหัน จะมาบูรณะวัด น, นี้สื้อพระศาสนาต่อไปคันนาของเราขอโมทนาแต่อยู่ช่วยไม่ได้เพราะไปพระนิพพานหมดแล้ว พุทธเจ้าพุทธองค์ยอมดำรงสัตนามหาศาลบูชาพระธรรมโอุฬาได้ปัญญาญาณสรานใจบูชาพระสงฆ์ทรงศรีลคุณเนื้อนาบุญโพกษั์อสศัยลูกนกกราพระรัตนไตรด้วยใจเคารพ บ, บูชาขอน้อมกราถวายอภิวาย รานนาพระราชธมญาณนาถาพระคุณยิ่งกว่าบิดาผู้กอกายาของลูกนี้ท่านได้สั่งสอนอบรมให้รู้คุณองค์ปฐมชินสีอนุสาตอุบายบรรดามีลูกนี้ได้แจ้งประจักษ์ใจ